จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยการมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิซึ่งเปรียบเหมือนกับ แสงสว่างในที่มืดเวลาที่เราอยู่ในที่มืดถ้าเราต้องการหาอะไรหรือจะเดินไปไหนทำอะไรถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราก็ต้องคลำไปทำไปก็ผิดบ้างถูกบ้างชนสิ่งนั้นเตะสิ่งนี้สะดุดหกล้มเพราะว่า ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆในที่นั้นได้เราต้องการทำอะไรเราก็จะทำได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่อย่าง ไ, <c oughs> ไดแสงนใดชีวิตของเรา ที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดายังมีความหลงครอบงำจิตใจซึ่งเป็นเหมือนกับผ้าที่ผูกมัดปิดกัน้นใจไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเหมือนกับสายตาของเราดวงตาของเรา ถ้ามีผ้ามาปิดมัดไว้เราก็จะเหมือนกับอยู่ในที่มืดเราจะไม่รู้ว่าข้างหน้าเราหรือรอบตัวเรานี่มีอะไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องหาแสงสว่างเพื่อมาขับไล่ความมืดของความหลงคือโมหะ ของอวิชชาคือความรู้ไม่จริงให้ออกไปจากใจเพื่อใจจะได้สว่างสวยัยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมะคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เพราะว่าเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วการคิดของเราการพูดของเราการกระทาของเรา ก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องผลที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญความห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาผลที่เราปรารถนานี้ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาเฉยๆไม่ได้เกิดจากการมี พระวิเศษมาห้อยคอหรือมีพระวิเศษมากล่าบไหว้บูชาเฉยๆเพราะการกราบไหว้บูชาเฉยๆหรือมีพระไหวห้อยคอเฉยๆนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องที่จะพาให้เราไปสู่การ ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อผลคือความสุขความเจริญที่เราปรารถนากันพระมีไว้สั่งสอนเรามีไว้เตือนสติให้เราลำลึกถึงพ่ะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจ้าที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง อย่างนั้นพวกเราจึงต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้รับแสงสว่างมาไว้ในใจของเราเพื่อให้เราได้เห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีจริงอะไรไม่มีจริงพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้เรายังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่เราจึงต้องเชื่อคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามีอะไรเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำไปก่อนเพราะเมื่อเราทำตามที่ท่านสอนแล้วต่อไปเราก็จะเห็นอย่างที่ท่าน เห็นได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นที่พวกเราไม่เห็นกันก็คือจิตใจนี้เองใจของพวกเรานี้ทั้งๆที่อยู่กับตัวเราเป็นผู้บงการการกระทําของเราทุกอย่างไม่ว่าความคิดก็ดีการพูดก็ดีการกระทําต่างๆก็ดีและการรับผลต่างๆจากการกระทําต่างๆก็ดี ก็รวนนีใจของเรานี่แหละเป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลของมันแต่ผลที่เราปรารถนากันเรามักจะไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่เรากลับได้ผลที่เราไม่ปรารถนากันก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจความเดือดร้อนความห่วงใยความกังวลต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่า ใจของเราไปคิดไม่ดีนั่นเองเพราะคิดสวนทางกับความจริงเพราะใจยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นสิ่งต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นดังนั้นเมื่อว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทรงเห็นเราก็ควรจะเชื่อเช่นพระองค์ทรงตรัสว่านรกมีจริง สวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราที่ยังมีความมืดบอด ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบนี้ได้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าพวกเรานั้นยังไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันยังไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดกันยังไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญกันเท่าที่ควรเราจึงยังกล้าทำบาปอยู่เรายังไม่ทำบุญมากเท่าที่เราควรจะกระทำกัน เพราะเรายังหลงยึดติดกับความสุขของทางโลกอยู่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอาหารหรือเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั้นมันมีคุณประโยชน์เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เบ็ดที่มันจะเกี่ยวคอนี้มันเป็นโทษมาหาัน ชั้นใดถ้าเรายังยึดติดอยู่กับความสุขของทางโลกยังยึดติดอยู่กับลาคยศสารเสริญยังยึดยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เราก็จะต้องถูกเบ็ดเกี่ยวคอก็คือเราจะถูกพบชาเป็นสิ่งที่เกี่ยวเราไว้เรายังจะต้องเวียนว่าตายเกิน ในวัฏะสงสารไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะไม่ไปหลงยินดีกับความสุขทางโลกแล้วเท่านั้นแล้วก็เร่งหาความสุขทางใจที่เกิดจากการทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสองสอนให้พวกเราทำกันอันนี้เท่านั้นที่จะช่วย ทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากเบ็ดที่เกี่ยวคอของพวกเราไว้ให้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่โดยไม่รู้จักจบจากสิ้นพาะพระเจ้าท่านมีเครื่องมือหรือท่านมีวิธีที่จะช่วยให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการ ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องสอนเราให้เราลำลึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มีอยู่นี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงความสุขของมันนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความทุกข์ที่ตามมานี้มันมีมากกว่าเราต้องพยายามคิด ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกที่เราไม่อยู่ไปตลอดเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจา ก, กันนี่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แต่พวกเราไม่เห็นกันเราจึงไม่เตือนใจของเราให้รู้ว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ใจจะต้องจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปเมื่อร่างกายนี้ตายไป แต่ก็ไม่ได้ไปอย่างถาวรไปแล้วไม่นานก็กลับมาเกิดใหม่แต่การกลับมาเกิดใหม่นี้อย่าไปคิดว่ามันจะดีเพราะมันก็จะเป็นเหมือนข่าวที่แล้วพาะกลับมาเกิดใหม่ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเช่นเดียวกันเราต้องไปที่ที่พระพุทธเจ้าไปกันเราต้องพาใจของเราไป ที่ตรงนั้นเพราะที่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพรากจากกันไม่มีความทุกข์เราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเรากับใจของเรานี้เป็นคนละส่วนกันใจนี้มาครอบครองร่างกายนี้ไว้เป็นสมบัติแต่มีความ มืดบอดจึงไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวของใจใจเมื่อมีความมืดบอดพอได้มาครอบครองร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นใจพอมีความคิดอย่างนี้แล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็เกิดความหวั่นไหวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที ทั้งทงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องหวั่นไหวหรือจะทุกข์กับ <c oughs> การเป็นไปของร่างกายเลยเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่ใจนั่นเองเหมือนกับร่างกายของคนอื่นทำไมใจของเราไม่ไปเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายของคนอื่นเพราะใจรู้ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเอง นี่คือความจริงที่จะช่วยทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายได้ถ้าใจทำความเข้าใจว่าร่างกายที่ใจครอบครองอยู่นี้กับร่างกายของผู้อื่นนั้นก็เป็นเหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของมีแต่เป็นสมบัติชั่วคราวของใจแต่ละดวงเท่านั้น และร่างกายของทุกๆคนก็จะต้องแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปถ้าใจรู้ว่าใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายต่อไปใจก็จะหายจากความทุกข์ความหวาดกลัวได้อยู่ที่ตรงนี้เราต้องแยกใจออกจากกายให้ได้ ในี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับกระแสะคลื่นของวิทยุโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรารู้ว่ามือถือของเรานี้มีสัญญาณเข้ามาในเครื่องเพราะถ้าไม่มีสัญญาณเราจะไม่สามารถรับฟังคำพูดของผู้ที่โทรมาหาเราได้เขาต้องอาศัยกระแสะ สัญญาณคลื่นโทรศัพท์นี้ส่งเข้ามาในเครื่องแล้วก็แปลงสัญญานั้นมาให้เป็นเสียงเช่นเดียวกันเวลาที่เราพูดเข้าไปในเครื่องเครื่องมันก็แปลงให้เป็นสัญญาณวิทยุโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปอีกเครื่องหนึ่งสัญญาณวิทยุนี้ก็เป็นเหมือนกับใจ เป็นนามนธรรมคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานอกจากถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาทำจิตใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาแยกแยะเราก็จะรู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน mm hmm. เมื่อเรารู้อย่างชัดเจนแล้ว ต่อไปใจก็จะไม่วิตกไม่ทุกขกับความเป็นไปของร่างกายดูร่างกายนี้เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเหมือนกันร่างกายของเรามีอาการ32ชั้นใดร่างกายของคนอื่นก็มีอาการ32ชั้นนั้นไม่แตกต่างกันเลยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายด้วยกันท้งน้น ปัญหาของใจไปอยู่ที่ไปหลงยึดติดร่างกายต่างๆว่าเป็นของเราหรือเป็นของคนที่เรารักพอเรามีความหลงอย่างนี้แล้วพอร่างกายของเราก็ดีหรือของคนที่เรารักก็ดีเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เกิดความตกใจเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความเสียใจ เกิดความเศร้าโศกขึ้นมาเวลาที่เขาตายจากเราไปแต่ร่างกายของของผู้อื่นที่เราไม่ได้ไปหลงยึดติดเราจะไม่เดือดร้อนเลยเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเขาดังนั้นความเดือดร้อนของใจนี้เกิดจากความไปหลงยึดติดกับร่างกายต่างๆเท่านั้นเอง ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมมีสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วในที่สุดก็จะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเรามี เรารู้จักใครเราก็รู้จักตามความจริงอันนี้เวลาเขาไปเราจะได้ไม่ตกใจกลัวเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นใครเลยเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราใช้วัสดุต่างๆผลิตมันขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่าชื่อในกอในขอแล้วก็สมมุติว่า เป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกของเราเป็นสามีของเราพอตุ๊กตาตัวนี้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของพวกเรานี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองทำมาจากดินน้ำลงไฟ แล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลงไฟเราก็จะไม่ยึดติดเราก็จะมองเห็นว่าร่างกายของคนที่เรารู้จักก็ดีหรือเราไม่รู้จักก็ดีก็เป็นเหมือนกันคนที่เราไม่รู้จักเขาตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนชั้นใดคนที่เรารู้จักตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนชั้นนั้น เพราะเรารู้ไว้แล้วเพราะเรามีแสงสว่างเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนั่นเองหรือแม้แต่ร่างกายของเราถึงเวลาที่เขาจะต้องตายไปหรือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เขาแก่ลงไปใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเขาจะต้องเป็นไป ตามเรื่องของเขาเหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนฉันนั้นถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยง เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆการได้ยินได้ฟังเพียงครั้งเดียวนี้ยังไม่พอเพียงเพราะไม่นานเราก็จะลืมไปเพราะเราจะต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นอีกเราก็เลยจะลืมเรื่องนี้ไปได้แต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ใจนี้ไม่หลงต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายใจและเราจะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะเราจะไม่อยากเกิดอีกเพราะเกิดทีไรก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากกันอีกเราก็จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเห็นที่ถูกต้องนี้ให้มีกำลังมากพอที่จะยับยั้งใจของเราให้ไปเกิดใหม่อีกนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำกันได้เป็นวิถีทางที่จะสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อย สลับกับการฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือฟังคำสอนของพระพระเจ้าอยู่ได้เรื่อยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราเดินผิดทางหลอกให้เราไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้หลงให สอนให้เราหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเมื่อเกิดความหลงแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง นอกจากการปล่อยวางเท่านั้นถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนแต่ถ้าเรายังยึดติดยังหวงอยู่เราจะต้องมีแต่ความทุกข์ใจอยู่เสมอเพราะเราจะต้องห่วงกังวลว่าสิ่งที่เรายึดติดอยู่ที่เราหวงอยู่นี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อไรและจะจากเราไปเมื่อไหร่นั่นเองแต่ถ้าเรายินดีให้เขาไปเมื่อถึงเวลาเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปหรือเราถึงเวลาที่จะต้องจากเขาไปเราก็ไปของเราถ้าเรายินดีอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์อย่างแน่นอนเราจะไม่หวาดกลัวในขณะที่เรา ในขณะที่เรายัางมีชีวิตอยู่เราจะไม่เสียดายว่าร่างกายของเรานี้จะตายจากเราไปเมื่อไรอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาวิเศษกว่าการได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิปดีได้เป็นมหากษัตริย์เพราะ ไม่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถระงับตับความกลัวได้นั่นเองคนที่มีเงินทองมากๆยิ่งกูมีความกลัวมากขึ้นไปใหญ่คนที่มีตำแหน่งสูงๆยิ่งมีความกลัวมากขึ้นไปอีกคนพวกนี้เวลาไปไหนมาไหนจะต้องมีผู้อารักขาเป็นจำนวนสิเป็นจำนวนร้อยนะเพราะความกลัวตายของเขามีมากขึ้น กว่าพวกเราพวกเราไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกับเขาไม่ได้ร่ำรวยมาหาศาลอย่างกับเขาเราก็ไปอย่างไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องมีคนมาคอยอารักขาได้เพราะความกลัวของเรานี้มีไม่มากเท่ากับเขานั่นเองแต่ถ้าเราเกิดรวยขึ้นมาหรือมีตําแหน่งสูงๆขึ้นมาเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีมากขึ้นกว่าเดิม เราจะไปไหนมาไหนเราก็จะไม่สามารถไปตามลำพังได้เราจะต้องมีคนคอยอารักขาอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยจะไม่มีความสงบไม่มีความเป็นส่วนตัวของเราจะไปไหนมาไหนก็มีคนเข้ารู้อยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงอย่าไปหลงกับลาบยศเสริญ สุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยทำให้ความทุกข์ของเราน้อยลงแต่กลับทำความทุกข์ให้มีมากขึ้นเราต้องพยายามตัดมันให้ได้ด้วยการเสียสละด้วยการแจกจ่ายให้ทางแก่ผู้อื่นด้วยการอยู่อย่างมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นเอาน้อย มีน้อยเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเท่านั้นมีมากขึ้นความทุกข์ก็จะมากขึ้นดังนั้นเราต้องยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นําเอามาปฏิบัติเอามาเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจที่ปล่อยวางอยู่ในใจที่ไม่อยากรวยไม่อยาก มีอายุยืนยาวนานกว่าความเป็นจริงของมันอยู่ได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะพัดพากจากบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆไปถ้าเราทำใจแบบนี้ได้แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุข ถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติอะไรเลยก็ตามแต่เราจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินกองเท่าภูเขาเสียอีกรับรองได้เพราะนี่คือความจริงความจริงที่เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วทรงได้ปฏิบัติมาแล้วจากการอยู่อย่างราชโอรสเป็นมหาเศรษฐีมีปราสาท สามฤดูมีเครื่องอำนวยความสุขทุกรูปแบบมีบริวารคอยอารักขาป้องป้องกันอยู่ตลอดเวลายี่ิบสี่ชั่วโมงแต่พระองค์ไม่ได้มีความสุขเพราะความกลัวก็ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่จึงต้องสละออกจากพระราชวังสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ แล้วก็มาอยู่แบบคนขอทานอยู่ในป่าขอข้าวเ้ากินไปวันวันหนึ่งแต่อยู่แบบผู้ที่มีธรรมะอยู่แบบนักปฏิบัติศึกษาแยกแยะใจให้ออกจากกายให้ได้ศึกษาสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ปล่อยวางได้หมด แยกใจออกจากกายได้ไม่กลัวความตายของร่างกายไม่กลัวความสูญเสียของผู้อื่นผู้อื่นจะพัดพรากจากไปก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่แลผลที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่อย่างถาวรกายนี้อยู่ไม่ถาวร กายนี้อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ตายตามร่างกายไปแต่ถ้าใจยังหลงใจก็จะไปหาร่างกายใหม่มาแบกใหม่มาทุกใหม่แต่ถ้าใจไม่หลงใจมีความเห็นที่ถูกต้องว่าถ้าต้องการความสุขจะต้องปล่อยวางจะไม่จะต้องไม่ยึดติดและจะต้องไม่อยากได้อะไร เพราะจะทำให้ใจไม่ไปเกิดอีกนั่นเองพอไม่ไปเกิดใหม่แล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแลคือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงคือที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าพระนิพพานนี้เองเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าพวกเราหมั่นสร้างความเห็นที่ถูกต้องนี้ ให้เป็นแสงสว่างนำทางแก่ชีวิตของเราจึงอยากจะให้ท่านพยายามสร้างแสงสว่างนี้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนใจของเราคือให้ปล่อยวางให้ลดละความอยากต่างๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจของเรา แล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้พบกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างความเห็นที่ถูกต้องนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้